บรรดาญาติน้องทั้งหลายและพุทธบุตรศาสตร์ทุกๆท่านวันมหาสงกรานและวันกระตันยูต่อบรรพบรุกที่เราได้บำเพ็ญและดำเนินงานมาทุกปีเฉพาะที่นี้เราถือว่าวันที่สิบห้าเมษายนมากพุทธศักราชตามปีคือปีนี้สองพร้อยสาม เ ป, ปเป็นปัจจุบันสมัยแต่ท่านสาธุชนพุทธบุตบริษัตรทั้งหลายไม่ทราบความหมายว่าสงกรานต์คือวันอะไรแต่สงกรานต์มีความหมายว่าวันเคลื่อนย้ายข้อหนึ่งเคลื่อนย้ายจากพระอาทิตย์ขึ้นสู่เมฆคาเมคา90้าสบองศาตอ้แต่วันที่ส3บสาเมษายนเป็นต้นไป มีประการที่สองเคลื่อนย้ายจากปีเก่ามาขึ้นปีใหม่จากทั่วฉลูขานถอดมาลงมาเสงมามีมาแม่เป็นต้นเรียกว่าขึ้นปีใหม่ของไทยเดิมทีมาแต่ขึ้นปีใหมย่ยุคสมัยนี้เรียกว่าสากลนิยมหนึ่งมกขาราคมตามพุทธศักราชตามปีนิยมการของสมัยนั้นมาสู่สมัยนี้เรียกว่ายุคนี้ แต่ยุคเก่าสมัยเดิมมานั้นเคลื่อนยาน้ายจากปีเก่ามาขึ้นปีใหม่แต่เราชาวไทยชาวพุทธไม่สราบเทว่าสนุกสนานตุดยามตุดยามสงกรานก็ไปเล่นเฮฮาเสืสวนกันตามถนนทั้งทางโดยเฉพาะหนุ่มสาวที่มีความรู้สูงประเชษศาสตร์น้ำตามถนนบาปมากเพราะว่าไม่เข้าใจคำว่าสงกราน ไม่จะเข้าใจคำว่าขึ้นสีหมัดไม่เข้าใจว่าคำว่าเคลื่อนย้ายถ้าที่เคลื่อนเคลื่อนย้ายสู่เมฆคเมฆคา90้สาสิบองศาร้อนแดดที่แผดเผายังหลบเข้าแต่ต้นศึกษาร้อนละหนักในเวลาในอุลาจะหลบเข้าทีงไหนอีประาการที่สามหล่า วันสงกรานต์ก็คือวันที่เคลื่อนย้ายจากชีวิตของตนเองเข้าสู่ภาวะปัจจุบันคือปีใหม่ต้องปเปลี่ยนจากปีปีนี้หมายความว่าทางจันตักติไม่ใช่สุยยะกติคาแลมตามความหมายบางคนไม่เข้าใจนิใช่น้อยเป็นชาวพุทธแบบฟอร์มเป็นชาวพุทธที่นิยมการ ในสาคนนยิยมคุณชีวิตของเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะรู้แต่ว่าเป็นชาวพุทธแบบฟอร์มแต่รู้สึกนึกคิดรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็รู้ยากเป็นส่วนมากเป็นเช่นนั้นถ้าเรามาศึกษาสแสวงหาความรู้ในพระพุทธศาสนาบ้างท่านก็จะได้ทราบได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนให้เราไปทำอะไรกัน ไม่ใช่สอนให้มาทําบุญตักบาทข่าวขันแกงโถแล้วก็เป็นคอร์ชาวพุทธใครก็ทําได้ข่าวขันแกงโถมาอยู่วัดสาวโบจดแบบคุณยา่าคุณยายที่ไม่รู้เรื่องก็มากราวว่าโปชะทางชะลาพังไปหลายหลังก็ไม่แต่งเนื้อไก่จนมาจนบัดนี้เป็ น, น, น, น, นปที่หนาชื่อดายมากท่นานสาวทุชนชาวพุทธทั้งหลายก็น่าจะศึกษา สแสวงหาความรู้พัฒนาจิตของท่านบ้างตามอัตภาพก็ไม่ค่อยจำ ม, มีกันเพราะฉะนั้นมาสรุปใจความว่าเคลื่อนย้ายจากสงกรานต์พระที่เคลื่อนขึ้นสู่เมฆขาเมคาตาวสบองศาล้อนระอุไปทั่วโลกโซลกาล้อนหนอกร้อนในล้อนแดดที่แผดเผาก็งหงบได้ต้นึุษาแต่ล้อนติดร้อนใจร้อนหนออร้อนในท่านจะไปขึ้นไกล ท่านจะไปหาที่พึ่งตรงไห น, นจะไปพึ่งวัดตรงไห น, นจะพึ่งพระก็หายากพระตรงไหนเป็นที่พึ่งไดง้แต่ที่พระแท้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระแปลว่าใจประเสริฐพระแปลว่าเย็นพระแปลว่ามีเหตุผลพระแปลว่าความถูกต้องพระแปล ว, ว่าเดินในชีวิตชีวิต วว้ด้วยความถูกต้องตามกฎจารชนชีวิตเรียกว่าพระพระยานแยกประเภทตามวัตถุเราจะเห็นไ่าพระหล่อทองเหลืองก็มีตหัวก็มีทองแดงก็มีดินเผาก็มีทําด้วยปูนก็มีมีมากมายหลายประการอันนั้นเป็นวัตถุไม่ใช่พระแท้พระแท้มันก็อยู่ที่จิตใจที่สันต์หลายเอาพระมาไปจำกายแล้วมาไปจำใจ ท่านจะใจเย็นลงไปท่านจะใจดีท่านจะมีปัญญาท่านจ ะ, สะแสวงหาแต่สิ่งที่มีประโยชน์ในชีวิตงท่านมิใช่น้อยนี่จุดมุ่งหมายอันนั้นเดีขอจเจริญพรต่อไปที่อาตมาเนี่ยกองทําบุญหลายฐานะวันกตัญญูต่อชาติห้าทันวามหละกะตัญญูต่อชาติหมายความเมา่อไรหมายความว่าพวกเราทุกคนต้องรักตัวเราเอง ต้องช่วตัวเองให้ได้ต้องพึ่งตัวเองให้ได้แล้วต้องสอนตัวเองได้นี่รักชาแต่ไปที่นาทเสนายคนเราไม่ค่อยรักตัวเองเลยกลับไปรักคนอื่นมากมายไปที่นาเสียดายมากนี่สิรักชาชาคืออะไรหรือเอาเรามาพูดกันในสาพณยมว่ารักช า, าศาสนาพระมหาษัตริย์ทำทั้งหลายา ก, กู้ตากระชังนั้นทั่วประเทศเลย โดยทัตรเลียรัรกชาจะต้องรักตัวเองรักพี่รักน้อยรักศาสนาก็ต้องปฏิบัติธรรมเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ไปตามชีวิตชีวาของท่านอาจจะเดินทางก็จะความถูกต้องนี่รกนะักตัวเองปฏิบัติศาสนาก็คือปฏิบัติธรรมมีกิจกรรมที่มีประโยชน์ในส่วนตัวและครอบครัวของท่านจะมีประโยชน์มิใช่นอ้อยนี่รักศาสนาะ แล้วบางคนบอกรักศาสนาไปสร้างฐาวรวัตถุสร้างสลาทีหมื่นหลังวางโบสถ์อีกคือร้อยหลังแล้วท่านก็มาได้ผลนั่นแหละอันนั้นเป็นบุญสงเคราะห์บุญที่จะให้กับตัวเองชื่อว่ารักศาสนานะั้นต้องปฏิบัติทำเรียกว่าอาทิกุศลยาคือบุคคลจะประสบพบพาในเวลาการสมควรได้นี่เป็นจุดมุ่งหม่อันนั้นแตมาฟังท่านทั้งหลายที่พูดจะมานานแล้วรักไม่จริง รักชาติก็ไม่จริงไม่รักตัวเองไม่สงสารตัวเองเลยกินเหล้ามอสุลาเล่นการพนาในสังคมไม่คิถึงลูกเมียไม่คิดถึงครอบครัวแล้วท่านว่ารักชาติด้วยรักศาสนาก็ไม่จริงรักศาสนาก็รบรเพณ์ทานศีลภาวนาบรเพณ์สินสมาธิปรรัญญาไกลสิกขาสามปฏิบัติธรรมเรียกว่ารักศาสนาเดี๋ยวนี้รักแต่ป่ากันทั้งนั้นไม่รักจริงไม่ถึงใจ ไม่ได้ลัทนากรไปจะยืดเหี่ยวทางใจทุกทางต่างไปที่นาที่ได้มากรักศาสนาต้องบำเพ็ญศีลบำเพ็ญกิจภาวนามีประโยชน์เหลือเกินเป็นต้นนี่มีความหมายอย่างนั้นนี่คือความเหตุผลลักพระมหากษัตริย์ไม่จริงเช่นนั้นมาร้องเพลงชาติกันมากมายลัพระมหากษัตถ์ต้องปฏิบัติตาม พระอมมหาบพิตรสมผานเจ้าในภูมิพลอาุญเดชมหาลาชทางสมเด็จธ น, นารเจ้าพระบรมราชนีนาตลอดช่างหลายการรษัตริย์ทรงองค์ธธรรูทรพระราชวงนี้คือวงจักรกลเราก็บอกละกระมหากษัต ร, ร, ริย์ ง, งานยังช่อลาบางหลวง่วยสาคาไม่อยากจะเสียสร้างความดีไม่ได้ตัดไม้ทำลายปา นี่หรือรักพระมากษัตริย์แล้วก็ภาษีอกรก็ยังปิดบังอัมพรไม่อยากจะเสียอย่างนี้หรือเรียกว่ารักพระมากษัตริย์เอืมพระภูทรอ่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโปรดพิจารณาด้วยลักพระมากษัตริย์ก็ต้องเบลเพนตนบลเพนประโยชน์เหมือนมหาบพเพเสือสมภารเจ้าทองไม่เห็นว่าความเหนื่อยยากเพราะวารการประเดชไปช่วยเหลือประสงค์นิกรและสดรทั้งหลายในป่าเขาลําเนาวพลัย ทั้งเขตแดนชาตไปเอาปัญญาของประชาชนมชาชัพระองค์ได้เสด็จในป่าเกื้อหนุ่ยเขาลำเนาลผกสามบวกอลุ่มเอาน้าทีไหนมากินลงบอกผู้น่นผูน่นแต่ก็เสด็จด้วยพระราชเนินของพระองค์ด้วยกระบาทาพระบาทไม่มีรถไม่มีลาเสถียรหยดตึงทันที แต่แล้วก็ตะลุงก็บอกโนนเอาไม้ไผ่ต่อนโนนเอามาจับพม่เอามารับถานเดี๋ยวความเหนื่อยยากของประชาชนปัญญาของประชาชนเกิดขึ้นเช่นอย่งกล่าวมาลองจึนย์จเขียนพระราชนิฤทธิ์ขึ้นมาว่าควรจะรากษาการในหน่วยงานต่างๆควรจะไปส่งเสริมช่วยเหลือประชาชนด้วยปัญญาของประชาชนเกิดขึ้นมีไม่มีน่านก็หามารับถานไนดะ้ถามว่าคุณป้า เอาข้าวจริงไหมรับทานโน่นพูนโน่นจุฬาเสด็จไปดูพอพระเนทเท็นออคุณป้าคุณยายอุตสาห์มาสั์ที่นอนเดินเนินนระวันบนภูเขาปกข้าวมาเลี้ยงลูกหลานได้เลยจึงเอาปัญญาประชาชนมาใช้จึงเขียนประหลาดทรับรีออกมาให้ราชการทั้งหลายได้ช่วยเหลือประชาชนคนไทยโดยทั่วไป น้าไม่มีก็พระองค์ก็ช่วยราษฎรทั้งหลายอดอยาปากแห้งทั้งหลายเพราะพระองค์ก็ได้ช่วยโดยเอาปัญญาของประชาชนมาใช้ไม่ใช่เอาปัญญาเขาในการไปบังคับประชาชนแล้วไปเทคโนเโลยีกับประชาชนกต่ประชาชนก็จะรู้อะไรขอจเจริญพรต่อไปเป็นข้อปลิด ย, ย่อยอดข้าวไม่ตายสกเรศกายไปหาได้เพราะปัญญาเขามีทุกคนแต่ไม่กินข้าวถึงจะตาย มันอยู่จุดหมายอันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายโปรดคิดโดยทุนาการ์ด น, นี่เราเห็นน้าพระไทยของพระองค์ไม่อยู่มากาาก็จะมาถึงทําบุญไม่ขาดกระตันโยต่อชาติห้าทันวามหราศไม่เคยขาดเราก็ต้องรักตัวเองที่จะช่วยเหลือประเทศชาติประการใดต้องรักครอบครัวต้องสงสารตัวเองและสงสารครอบครัวสามสงสารลูกสงสารเมียตรงนี้ถึงจะถูกต้อง ถึงจะมีความหมายอย่างเหลือเกินขอฝากไว้มีเหตุผลที่หนาฟังแล้วท่านจะไปรักใครผ่านไปเล่นการพ น, นันแล้วก็ไปกินเหล้าดื่มสุราเมามาเดี๋ยวดูครอบครัวมาดูลูกเลยอนุรักษ์ชาติไทยก็อนุรักษ์กรกมรดกไทยก็คือลูกของเราท่านทั้งหลายเป็นพ่อแม่เขาเป็นผู้นําและเป็นผู้ตามดูลูกด้วยอยาวต่อให้ลูกเลยเพล่าผากหลงไหลชายชรในส่องคมทุกวันนี้ไปที่หนาทุ่ใดมาก นี่หรือรักษาท่านจะไม่มีโอกาสแนละ้วไม่รักตัวเองเลยไม่สงสารตัวเองเลยกินเหล้ามาสุลาไม่พักเพื่การพนันลูกหลานก็อดยาปากแข้งนี่หรือรักษามรดกไทยอาตมาก็จะตรีความว่ามรดกคือลูกของหลงมรดกตกทอดท่านเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ต้อมีลูกมีหลานโปรดรักษามรดกคือลูกไว้ทำความดีกับลูกทําถูกวจกับหลานรักให้ถูกวิธีทําความดีลูกเราดูสิ เดี๋ยนี้ทิ้งลูกเลยเพราทาพ่อเป็นใหญ่เป็นโตลูกติดยาเสพติดพ่อเป็นสัตวนาจารย์แม่เป็นรองสัตว า, าจานบล็อกเพอร์ชาลเมิการก่อจะไม่ขอเอาปรากฏนามลูกติดยาเสพติดเปสองคนแลน้วนี่หรือละรักษามรดกของหว่างไว้มรดกของเราคือลูกอย่าตกทอดไปถึงลูกหลานในอนาคตการเบื้องหน้าต่อไปก็ขอเจริญพรฝากข้าราชกานไว้ดูทุนากัน ขอให้รักตัวเองให้มากที่สุดก่อนที่จะไปรักคนอื่นเขารักตัวเองสงสารตัวเองก็ต้องสร้างความดีพึ่งตัวเองให้ได้สอนตัวเองให้ได้ออกมาอย่าเมี้ตมาถึงบาเพง็งกุศลทำบุญกตัญญูต่อข้ า, าทันวามหาลาชนึกถึงพระองค์อยู่มิเช่นน้อยน้าประชัยของพระองค์ก็คือเหือคือเสชะไหลออกมา ประชาชนไม่เห็นอกเห็นใจหวัมใจประชาชนคือองค์มหาบพิเภยสมภารเจ้าออกมาในรูปแบบนี้ชัดเจนนาจะคิดประการดักต่อมาก็ยังเคยได้ร้องเพลงมาเป็นเด็กสีแดงคือชาติสีขาวคือประสาทนาสีน้ำเงนินนั่นหนาะคือธรรมหาจาั ก, กรพงศ์ทงใจลงที่เราล้องเพลงชาติอยู่ทุกวันแต่จะร้องเพลงชาติแต่เสียใจยด้วยมาปฏิบัติตามเพลงชาตินี่รือรักฐาน เราเป็นคนไายเราเป็นคนไทยอย่าไปพิคิค่าใคอย่าไปกินเหล้าเมายาเล่นการพนันติดยาเสพติดเลยเราเป็นคนไทยเราเป็นคนไท ย, นน ไ, ทยไม่ใช่คนอื่นได้ไทยแปลว่าไม่เป็นที่ค่าของใครต่อไปท่านทําไมไม่ลักตัวเองละ่ะไม่ลักตัวคนที่รักตัวต้องไม่กลัวตายต้องยอมสู้ตลอดไปจนชีวิตทำามคนที่กลัวตายคือคนไม่ลักตัว เห็นมักง่ายมักได้เือเกินเอาแต่เห็นแต่ตัวตลอดเลยตามนี่หรือคนไทยคนไทยต้องรักชาติไทยเราอยู่รวมไทยเป็นคนไทยอย่าเป็นที้ข่าของแขกเอกราชชาติไทยรักษามานานแล้วคือองค์มหาบพิรษุสมภา์เจ้าออกรบในสนามยุทธนาเราดูประวัติศาตรเราจะเห็นใจมหาบพิระุสมภา์เจ้าคือองค์จอมทัพแต่เราก็ไม่จัดในรูปแบบนี้กัน ไอเห็นแค่ตัวก็สมัครหมายจึงขาดเหตุผลคนเราเดี๋ยวนี้ขาดเหตุผลไม่มีเหตุผลที่น่าฟังเลยจะพูดปาจ้าก็ไม่เข้าล็อกเข้าสเปคไม่เข้าเซตเกิ้ลไข่เห็นจะตัวจริงๆเอาแต่อารมณ์เอาแต่ใจของตัวเอง่าจะเอาใจคนอื่นเข้าบ้างเห็นอกเห็นใจกันแม่ตาปราในอรีเอื้อเฟื้อขาดเรื อ, องความเบื่ขอขันไม่มีเลยนะี่ยนิยรักศาสนาเข้าวัดเข้าวาไม่จริง อตาตมาเห็นแล้วทั้งครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้หันหลังเข้าวัดหันหน้าเข้าวิกขอฝากไว้นี่มีหลายอย่างแต่ก็ไม่ขอกล่าวนามเจ้าเด็กมาอบรมวันพุกวันเขาบอกเสียเวลาไปเชี่ยวดีกว่าเที่ยวเชียงใหม่สงกรานมีประโยชน์ว่านี่ครูาอาจารย์ขอฝากไว้แต่สาธุชนทั่วไปได้ยินก็เสียงเองมีชื่อปรากฏด้วยนี่ทออหนึ่ขนาดทออนึ่งแต่ก็ไม่ว่ากาันแล้วมันเป็นการที่เสียหาย จะขอฝากครูอาจารย์ทั่วประเทศด้วยไม่ควรจะว่าเด็กเข้าวัดเสียเวลาแต่เสียเวลาเนะ่ยเสียมันเสียมันเพื่อดาเสียเพื่อได้านยะได้บุญได้กุศลได้ความสุขเจริญที่เขามาเห็นทัสนาศึกษาในวัดวัดเป็นศูนย์วัฒนธรรมนะท่านจะเข้าใจผิดผิดว่าวัดนี่ไม่เดือดเป็นเรื่องเป็นราวมาก็องเงียบเหนามาดูวัดนี้สิงเงียบเหงาไหม ขอฝากท่านสาวทุกชนไปด้วยพาลูกหลานเข้าวัดจะได้ทัศนาศึกษาเห็นพระสวยงามนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเราเห็นปรักานการช่อป้านาบานนารรณวัฒนธรรมรหุกค่าศิลปะัิกรรมอยู่ที่วัดมีพร้อมทุกมูลมูลค่าของทีวทิตอยู่ในวัดเราเป็นสวนรวมของประชาชนเป็นสวนรวมน้ำใจของประชาชนคือวัดเพื่อปฏิบัติธรรมิมเฉวัตถุธรรม ถ้าท่านมีกิจกรรมมีธรรมะวัตถุท่านจะสะอาดบ้านท่านจะสะอาดบ้านเมืองก็สะอาดไม่เปลืลองเวลาวัดอารมณ์เขาไว้มาสิอย่าอารมณ์เสียสร้างจะอารมณ์ดีท่านจะเอาส ใ, ใจตัวเองต้องเอาใจคนอื่นเข้าบ้างถ้าเอาใจตัวเองกับเสียหายมิใชน้อยขอจเจริญพรอย่างนั้นคนเราจึงเอาะใจตัวเห็นกับตัวเองแต่ไม่มีความถูกต้องเลยเอาจจะถูกใจเสมอมาคนเราจึงคาดการเพิก เห็นโกงจากเป็นดอกบัวเห็นความทั่วเป็นความดีเศรษฐีในใจเล่นใบบนบกนี่คนถ่ายทอบเล่นใบบนบกเศรษฐีพวกนี้จะได้ชิบสองล้านมาไปหาพระให้หวยอํานวยพรบ้างแต่ที่น่าสุดายเนี่ยจะหวังเหลืออย่างนั้นหรือเลือนเศรษฐีในใจเล่อนใบบนบกโปรตเล่นใบในน้ําเถิดต้องเถิดที่สุดหมายงั้นเรือฉันจะไปได้เนาะเห็นโกงจากเป็นดอกบัวไปได้เห็นดอกบัวกลายเป็นกงจาก เป็นที่นาทิได้ในหรือศาสนาละลักศาสนาถ่าจะไม่มีโอกาสปฏิบัติทำได้สมปลาธนาทุกประการขอจเจริญพรอย่างนั้นนีเหตุผลกอร้างอัตมาไว้ด้วยอัตมาทำได้ที่พูดเนี่ต้องทำได้แต่ธรรมะไดอย่ามาพูดไม่ได้พูดมันจะขลังมันจะเกิดจากความคลัางขึ้นมาไม่ใช่อวดลูกอวดดีกับท่านผู้ใหญ่แต่มเมยดีไปอวดเม่ดีอวดมีแพทย์อวดมีทองคาอวด แต่ท่านทั้งหลายจเจ้าไปได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของท่านเองขอฝากเพราะติคิดโดยทุนการดังที่กล่าวมานี่แล้วท่านสาธุชนทั้งหลายเอ๋ยรักษาศาสนาะไม่จะไปสร้างวัดสร้างวัดจะจะล่ามปามไปหมดแล้วหาพระอยู่ไม่ได้ขอจเจริญพรต่อไปหาสมผานสักองค์นี่หายากอาตมาหาเหมือนหนึ่งล้านสักเจ็ดแปดวันถ้ามีคนให้ดังอะแต่หาสมผานสักองค์นี่หายากที่สุดไม่คอยจะมีเลย มีสมภารคือสัมภาระที่รับผิดชอบวัดเป็นนิติบุคคลสมภาตรต้องรับผิดชอบแต่ไม่มีการรับผิดชอบเลยจึงหาสมภารยากวัดไหนนะมีรายได้พิตลาดมีให้ช่าแย่งมาเป็ น, นสมภารวัดไหนไม่มีรายได้ไม่มีใครแย่งไป็นสมภารเช่นวัดนี้แต่ต้นไม่มีรายได้อะตมา บ, บอกขมาเป็นเจ้าวาดมาเลยนะมาเนาะอะตอมาให้เลยให้เดือนละแสนสองแสนต้องจ่ายสมภารต้องจ่ายนะไม่มีใครมาเลย วัดไหนมีตลาดมีเช่าที่มีทรัพย์สินของวัดมีที่ทรังย์สงมากมายมีที่เช่าวัด ม, มีปัญหาก็คนมาโลภมากันเหลือกเกินอยากได้ขัดประโยชน์กันก็ฟ้องร้องกันทั่วป่าไปที่นาที่ใดมากขอฝากไว้ไปคิดโดยทุนการี่เหตุผลแต่มาขอเจริญพรรักศาสนาก็ช่วยกันปฏิ บ, บัติบำเพ็ญศีลเจริญผ น, นภาวนาสร้างความดีให้กับคำถูกให้กับหลาน ก็มีประผลงานของชีวิตประจําบ้านประจําเมืองปําจถิ่นประจำฐานบ้านเมืองก็อาจไม่ทิ้งขยะลงกลางถนนไม่ผิดกฎจราจรบ้านเมืองครับเดี๋ยวนี้ผิดกฎจราจรบ้านเมืองยังทิ้งขยะลงแม่น้ําทําให้แม่น้ําต้องเน่าต่อไปนี่หรือสาักศาสนาคนที่ลักษณะต้องสะอาดทิศีนสะอาดนอกสะอาดในที่สะอาดที่ถ่ายสะดวกด้วยแต่ไทยก็สะอาดไปหมดเหลียวซ้ายแหลกขวามีจต่ขอ ง, ของผ่องใสบริสุทธิผ่อง มือนเงาะป่าก็รู้จัอยู่ปลายไร่แต่นายังมีความเฉพาะไอเงาะมันมีปัญญามันมีสติปัญญาสูงรจนายาใจในศีสารานาสีภรรยาก็อยู่เย็นเป็นสุขภาพมีดีภรรยาก็ผั ว, ผ, วผัวขวัญเมียแก่เมียขวัญก็จะได้แปลก่วขวัญต่อไปโอกาสด้วยมิฉะนั้นจะไม่เด่นเลยเลยทะลักพระมหาประจักรโปรดช่วยกันจัดบ้านเมืองให้สะอาดกบแพงสิงจะมาที่ปัญญานั่นแหละ เราใจเห็นใจมาหาบุพเพิดผ่านเจ้าพระองค์ทรงสาสนุประธรรมยกย่องพระพุทธศาสนามาานานแล้วแล้วพระองค์เห็ น, นความเหนื่อยยากจริงๆทุกภาคเลยภาคเหนือก็มีพระสว่างภาคใตยก็มีพระสวางภาคศรีมีพระสวางเพื่อเสฉลยไปทําไมเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนกิจกรรมที่พระองค์ได้สั่งมาด้วยความเหนื่อยยากเพ ร, ะราะาสมเด็จพระนางเจ้าพระรัชกิณญาก่สอสร้างปัจจ ผู้เท่าแต่ให้เลือเ่อนเรวิชากล่าวขึ้นมาทอหไหมเป็นต้นหรือป่าหาจระัของคนไทยที่มีมาแต่เดิมทีเอาที่หมดแล้วหมดโอกาสไปสีอาชีพในครอบครัวผมก็ยังไปทําช่วยเหลือประชชนตลอดมาอย่างนี้เรากันจะรักท่านโดยการเคารพนอบน บ, บูชาสักระท่านเอาใจใส่ท่านเคารพคือมั่นใจต่อมาหาประกาและสมเด็จตานจาจ้าของเราด้วยนอกเหนือจากนั้นต้องบูชาเอาบิสบูชาปฏิบัติบูบบชา เขามันจะเป็นหลักปฏิบัติด้วยลองนับถือยึดถือขึ้นมาอยู่ที่จิตใจของเราทุกคนแล้วต้องเชื่อฟังตามคําสั่งสอนลองมีนโยบายแปลนใดออพระราชนมนิกอย่างพวกเราทวนสามัคคีช่วยกันทําเป็นกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์ต่อประเทศเราเหลือเกินมีอย่างนี้เรียกว่าลักพาศาสนาพระมหากษัตริย์อาจจะยินเป็นสุขทุธิพาราตีกานี่ความไม่ใช่ลักตะปากกอมล้อนปากยื่นปากยาวนะ ใจใจไม่ไปด้วยเลยใช้ไม่ได้นี่หรือชาวพุทธนี่ที่นาสิไดายอย่างสุดซึ้งชาวพุทธต้องเข้าถึงวัดถึงรัตรนก า, ายเฉียวทางใจของท้านตายผีกระจายสืบพึงได้โอ้เนี่ยสําคัญมากเป็นรัตรนก า, ายด้วทั้งครูบาอาจารย์ครูลักครูครูเนี้ยครูนําครูข้ามครูส อ, อนสอนตลอดมามีความหมายอย่างนั้นแต่บางคนก็ไม่เอานําพาเลยและถือว่าตัวดีเอาดีไม่ได้ขอฝากจเจริญพรท่านทั้งหลายไปด้วย คนที่ดีไอ้ได้เขาไอ้ที่ได้ก็ไม่ดีไอ้ที่ดีไอาคนประเภทนั้นขอลาไว้เลยไม่ใช่ดีได้ไนะอ้ที่ได้มามันไม่ดีไอ้ที่ดีไม่เขาหรอกคนประเภทนี้นเป็นอย่างนั้นลาหลวมหลอแลลหละเหลียวไหลเอาดีกันได้นี่เลือคำว่าขอฝากท่านสาวทุกทวดความรักก็คือตัวรอเรือลอยลําเดียวชูว ก, กันจำ้ำช่วยกันพายอย่าขัดคอสามีอย่าทะเลาะกันลอลิงมันทิ้งความเป็นที่หนาที่ได้มากไอ้ลอลิงเนี่ยรักอันโดยการรักา รักกันด้วยเห็นกันตัวกันไม่ใช่รักตัวรอเรือร่อเรือตัวรักษาช่วยกันรักษาช่วยกันต้องช่วยกันแห่หอมมนาและช่วยกันอย่ามีเหนือเกินไปอย่าบังอาเกินไปอย่ากันอย่างนี้รักล่อเรือรักษากันก็ควรจะตูงมาเป็นไปตูงถึงสุสารจะดูกันเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยรักลิงชิ้งกวางกันเชนั้นไม่มีวลาที่จะซึ้งใจต่อกันนี่คือไม่ลักษณะถ้าปฏิบัติธรรมและสายภรรยาจะอยู่เยจะฉุก ไม่ได้ลักศาสนาเลยพูดจะปากปากยื่นปากยาวรับสินเนี่ยไปปากยื่นปากยาวแต่ใจไม่ยอมรับตรงนี้เนี่ยทักศาสานาจิตใจท่านต้องยอมรับสิลเอาปากรับสิลแต่จิตใจรับสิ น, แ ต, ตสนแต่จะมีทิ้งฐานท่านคงไม่ได้เลยฐานะจะไม่ดีท่านจะเอาดีก็ไม่ยากขอฝากท่านสาธุชนไว้ในโอกาสนี้ด้วยเพราะฉะนั้ น, าานรักฆาศาสนาประกาัตร์ลักให้มันถูกต้องรักให้มันความจริงจังคนไทยเรายุคนี้เนี่ยนาชิดาย รักกันน้อยเกลียกกันมากท้งพี่น้องคนไทยสายสุโขทัยสุนกุงศรียาลัตนาโอทิ่งบางกดรักมากเกลียกกันน้อยเดี๋ยวนี้ยกใหม่นี่เกลียกกันมากรักกันน้อยเต็มทีน้องยังลบลาท่าฟันยันญาติาาาาาาาททพี่นออ้องรวมกันกจะเคารพจามารดาอย่างจริงใจงไม่มีในขนาดเป็นปริญาโทปริญาเอจกาตสมบัติกัน อย่างสมบัติให้ถอดตัง้งเป็นโลกุจายตายไปแล้วนะบัตรนี้ที่หลักฐานที่วัดอมภวัิเหลอลากศาสานาถ้าปฏิบัติศาสานาปฏิบททัติธรรมะขึ้นมาเนี่ยพี่นอ้องรักกันจะกลมกลืนกันเดียวกันออกมาในรูปแบบนี้จะไปแย่สมบัติกันเพื่ออะไรจะมีชีวิตอยู่ก็ไอาย้ยอของกูนี่กูเวลาตายไปแล้วแบมือออกของกูข้างมือตรงไหนเนีย่ยขอเจ้ทานโทษกับข อ, อยาตกล่าวคํานั้นเพราะชาวบ้านเขารู้กัน เราไปรวบจับแสงเขาจะไม่เข้าใจขอเจริญพรฝากไว้เดี๋ยวนี้น้องท้องเดียวกันไม้ถ่ายต่างกล้องต้องต่างใจไม่มีรักเลยออกมากันบา้าก็เหมือนกันเลยไม่ใช่ทองเหมือนกันเราไปพิมพ์เดียวกันหมดคงไม่ใช่แต่ตา่างด้วยจิตใจแตกต่างแห่งกรรมจากการรมธรรมของพี่น้องเหล่า น, นั้นไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนออรูปแบบนี้ชัดเจนนะ้วะขอเจริญพร อ, อย่างนั้นมีรักชาติสรารพระมหากษัตริย์รักให้มันถูกต้อง จะทำตามที่จะมากล่าววัางตจะไม่มีปัญหาคนไทยแล้วนี่มีแต่ปัญหาสร้างกระหาให้ยุ่งในครอบครัวสางปัญหาให้ลูกอีกพ่อแม่ตะโกนด้อยให้ลูกอีกนะแต่ลกกูกเรดีพ่อแม่ก็ดีลูกสร้างปัญหาให้พ่อแม่เหนื่อยยากลำเปอียงใจรุ่งเกินปลาควายที่น้องที่รักเราเลยอยากแก้วตาแก้วตาขวาคือลูกชายจเจ้าชายลูกสา พ่อแม่เนี่ยรัลกลูกอย่างแก้วตาสร้างความดีก็น้ําไหลออกตาลูกสร้างความชั่วน้ำไหลออกตาเช่นอยู่กันแต่หนะ้าตานั้นน่าจะสิ้นได้ว่าพ่อแม่ลักลูกคิดปลูกฝังลูกดีแต่ลูกไม่ค่อยเคยรักพ่อแม่ของาะเราปฏิบัติคุ้นด้วยกตารยูตเวที่ตาแต่ประการได้วันควันสงการเช่นในวันนี้ที่ผ่านมาแล้วนั้นวันที่13เมษายนตามันดับมาอตาตมาก็ขออนุโมัติแท่คณะบริการรัฐบาล ให้ราชการอยู่ถึงหลายวันไม่เหมือนแต่ก่อนมาให้ราจกอดมยุดแล้วว่ามีสายเกลหรือบริษัทจะหยุดหรือไม่ไม่ได้ให้กองการจะไปกระาตัวเวชิชาทำต่อคุณพ่อคุณแม่คุญาติตาบะยายในชาติคุม้มถึงได้ไปบ้านเดิมตอนชาติภูมิมาที่พงเพื่อไปล้างย้ำหัวไปก่อนจดทำว่าเคลื่อนย้ายมันร้อนก็ไปหที่ปรึกษาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หาปีนดา ไปหาครูบาอาจารย์ศึกษาปลองดองมันยากิคุน้องเหมือนกันจีประการหนึ่งเคลื่อนย้ายบางลูกแยกตัวไปแยกเคลื่อนย้ายไปทางทั่วเอาตัวไม่หลอดก็ต้องเคลื่อนไห้ไปหาบิาดามารดาไปกราบรายงานให้สันส่ว่าอาชีพตกหรือทําการไม่ดีพ่อแม่จะได้ที่แจนไปหาคุณครูปชาอาจารย์จะได้สั่งสอนให้เรียกว่า บางคนก็เคลื่อนสามปีมั่งมีชีสุขเป็นเศรษฐีมัเ่เศรษฐีมั่งมีชีสุขภายไม่สิก็มีมากไม่ใชน้อยนี่เคลื่อนนะชีวิตเก่าหมดเป็นชีวิตใหม่มาแทนที่สร้างความดีกันต่อไปขอฝากท่านทั้งหลายไว้ามาปลุกหกอ้าวสี่ตาอย่าเดินตาเดียวเลยเรื่องตีมายอยเปลี่ยนตาเดินใะ่ไามยอยเดินซ้ำซากอีตาหนั่นอับเช้าจนตลอดเลยตาท่านจะไม่มีโอกาสะจะลืมตาอ้าปากกับเขาได้นี่ถือหลักศาสนาไว้ บางคนก็บอกศาสนาทําให้คนโง่บอกโง่อยังอตาตมาไม่เป็นโง่ไม่ทําให้ขครเดร้ดอนเลยทํำให้คนฉลาดในครั้งโคมทําคนให้ร้อนทําให้เดือดนี่คนเขาบอกว่าาโง่แต่แม่ยังอตาตมาหรือผู้ปฏิบัติไม่เคยไปทําเบียดเบียนใครนะใครตองขาเนะีใครตกทุกข์นายอยากเลยการให้อยากมมีความสุขสนุกสบายในสองโคมจตุตติเทความหมายอยู่ไม่ใช่ น, อน้อย ไม่ใช่ความว่าศาสนาเลยไป เ, ยเบียดเบียนแไปขอโนอนขอนี่ยังไม่ขอ อ, อัตมามีจะให้ให้รักกิเลสของโยมเนี่ยจเจ้ากิเลสาจ้ามาจะไม่ฟังจใจเสียสมองให้สมองฟอไปเปล่าๆไม่เคิเป็นขอให้โยมจําไปชาด้วยไปมองในแง่ดีการสร้างความดีมีปัญญาเอาเครื่องความดีไปเครื่องคอมพิวเตอร์ฝากทั้งวันคอมพิวเตอร์ไว้จะตัดีออกมาจะได้ความสุขความเจริญภาสาชนขาดหลักศาสนาขาดชีวิต ส้างแต่ปัญหาก็าเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ถึงแม้มีทุกอยาง ก, ก็ไม่สามารถจะออกม า, ากเผยได้เจริญจักกรรมมาถามดีทเป็นการสร้างความเอาใจไว้ในใจคุณตอนอ๋ อ, อในรูปแบบนี้จึงจะรู้กตัญญูตระเวนทําได้ดังที่กล่าวแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าโยฏิบัติธรรมได้เข้าถึงมื่อไโยมใจเจ้าไฟดีถ้าคนไหนถึงธรรมะคนนั้นไม่ชื่นใจจิตใจไม่ดีเลย จิตใจไม่ดีเลยลมขึ้นลมลง ล, ลมสูงด้วยถ้าเข้าถึงทักคุณธรรมที่เราต้องฝืนใจได้คนนั้นจะซึ้งใจและก็จะดีฝ่ายดีก็มีสัจจุจริงทําจริงตลอดเายการไม่ไปขว่ำหลวมห ล, ล่อแหลมเลี้ยวหลายยุทธการกระพวงถึงซึ้งใจแล้วไฟดีมีสัจจะพูดจริงต้องทำจริงมีสัจจะแล้วมีอะไรคะการอยู่รู้หน้าที่งานคนนั้นจะไม่คุ้นคนเลยจะไม่ลูมสัตที่เลี้ยงไว้จะไม่ฆ่ามัน ลืมพระคุณของชาติภูมิมาดิภูมิเติมนอนเติมต้นและจะไม่เหลือคุณเครื่อ ง, งอุปกรณ์ใช้สอนที่พ่อ ม, มาให้อยู่ในสช น, นักงานในบริษัทจะไม่ทิ้งเครื่องออมที่หามาได้ด้วยความยากลำบากแล้วไม่ทิ้งตัวเองไม่ลืมตัวเองโดยคุณพ่อคุณแม่ให้มนสองเท่าสองสมองหนึ่งไปที่พึ่งแล้วไปเอามือไปทิ้งเอาตาทิ้งซะเอาตาไปชิ้งซะมีตาสองสองข้างไม่ใช้่มีสองข้างไม่ใช่มีหนึ่งต้องกลางไปรับทาน สองข้างคืนขวาแขนซ้ายคือสามีภรร ย, ยาทุกทํางานหน่อยอยากขี้เกียจเบี๋ยวจัะการได้ข้างคือสมบัติมีเคลื่อนยา้ายบัตรไม่ใช่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเลยไม่มองดูฟ้าดินแต่ประการใดคือเท้าเป็นสมบัติภัฏฐานที่ผูกเท้าอยู่ต้องเคลื่อนย้ายบ้างเคลื่อนไปทางดีอย่าเคลื่อนไปขายแหลกแตกะหอดเลยหาที่พึ่งไม่ได้ขอฝากท่านทั้งหลายมีตาไม่ใช่มไม่ใช่มีปาดอย่าชักใช้ใชยาไปไหนตาหูฟังปากนิ่ง ตีนเรียบเบี้ยงเมือทากับความดีปากทิ้งไว้ก่อนนี่มันเสียนะคนไม่ถึงทำมาพูดลามตามไปเช่นนั้นดังกล่าวมามันจะหายมันอยู่ตรงนี้เป็นสาคัญคนที่มีกระตันยูโตวเวทําให้ลืมความคำว่าสงกราคําว่าเพื่อนยาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะเป็นลูกทานก็ตามก็พากระตัหาพ่อแม่อาบน้ําดําหัวไอ้น้ําดําหัวนี่ไม่นจะไปสาดน้ากลางถนนสาดตัวทนนี่เขาเปื้อนไปสาดให้เขาก็ลความไปตายเนะ นี่มีตัวอย่างสิลบุรีมาสาเนี่ยเขาตายแล้วควางเขาตายบอดไปเลยนะนี่ศิลบุรีนี่เองฝากไว้แล้วไอ้คนทำเนี่ยกระตาบอดแล้วแล้วคนทำมันก็ลถทนตายไปแล้วนี่โแหทงกรรมอย่าทําแล้วไอ้วัดเนี่ยหนุ่มสาวอย่าไปเอานะออกไปสาดตรงโน้นสาดนี่จะเป็นบาปนะแล้วพระก็ผลไปด้วยให้ก๊อกน้ําเลยนึงแล้วก็ฉีดตโน่นฉีดตรงนี้หน้าเชิดดาลชาวพุทธปลอมชอบแบบฟอร์มเข้ามาก็ตักน้ําขันข อ, ขอกายกรรมวิจีกรรมต่อละกัน แล้วจะสงน้ําพระเป็น ม, มาชามสตร์กันนะสาบ้ำอย่างร้ายแรงแล้วเห็นทางปัจจุบั น, นเองไม่ต้องไปในชาติหน้าต่อแล้วแถมเอาน้ําพระใช้ด้วยมาก่อนนี้สงกรามยามขึ้นปีมาอาตมามเมื่อไปเด็กยายให้เอาดินไปวัดไปขนทรายให้ตาบน้ํำให้พระเดี๋ยวนี้เอาน้ำพระไปใช้แล้วเอาดินพระไปแล้วก็ดินติดเข้ามาก็ถือว่าเป็นบาปใช่ไหมบุรุษแต่เดี๋ยวนี้เขาว่าไม่บาป กินพระในวัดนั้นมันเป็นดอนหน่อยเลยก็ไปแบ่งกับพระเอาดินไปขายกันเอาดินไปขายเนี่เป็นเปรตพระทั้งคารวะขอฝากไว้ามาพูดต้องไม่ตกรวนมันจริงในคําสอนของพระพุทธเจา้ามีหลักฐานยืนยันมาส่งน้ําพระเราต้องขอกายกรรมวจิกรรมแล้วไปอาบน้ําพอลดน้ําดําหัวเอาพ่อแม่นําข้าวปู่ย่าตายายเอาน้ำเข่ากราบกราบขอกายกรรมวจิกกรรมมโนกรรม ต่อพ่อแม่โยโทรโศอันใดความผิดอันใดที่ลูกเดือดเผิอเผสติปันด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีตอนดีรับหลังก็ดีจงโหสิจให้ลูกด้วยขอพรให้ลูกด้วยถ้าลูกก็สง่งอาบน้ําพ่อแม่ดําหัวคืออะไรหัวคือสติปัญญาเราที่สติปัญญาแล้วก็มาลดน้ําดําให้พ่อแม่พ่อแม่จะได้ให้ปัญญากับลูกให้ลูกมีความคิดให้โอวา่าลูกมีสติปัญญาต่อไป ต่อไปเนีลูกนะชีวิตนี่คือความต่อสู้เสมอมาและได้คิดนะแล้วลูกจะได้คิดถึงแม่เอาน้ําไปเนี่คือแม่พระคงคาเราขอสช่ไเราโทษบ้างไหมแม่เอ๋ยแม่ธรณีแม่เอ๋ ย, แ ม, แ, มอยแม่พระคงคาแม่ภายใจทัดไม่เคยเลยนะจะขายที่ดินแต่เยื่ยอุจระปัสสวะลงแต่ไม่เคยขอสะทษแม่ธรณีเจ้าอยู่แล้วหรือยอย่างสังขารตังโลกาจูรับรองขายที่ดินได้ดีไม่เอาเลย ไม่โคนโบราณเวลาจะลงโคดงจะสขั้นไม่มีความสบายได้ฝากไม่โทรณีเจ้าเอออยู่แล้วรังส่าทั้งต่างโลกกลางกวิภทู่ไปไหนก็มีความสุขทุกท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ยไปบ้านใครเนี่ยสุขไม่ได้สู้านเล่าไม่ได้นอนอยู่ฉันละหรือนอนในสวนก็ยังสบายเพราะไปถ้าเราไปบ้านใายถือว่าเป็นการก็นอนสบายเช่ยเดียกันแต่เป็นแถบแปลกหน้าและจะไม่มีความสุขเหมือนเคยใหม่ชพรายใหม่ หาความสุขความเจริญช่วยไม่ได้เลยเดินก่อนอย่างนั้นนี่แหละรถหน้าหัวมีความหมายนึกถึงแม่ไว้ก่อนเขาพู้ใจจ้จาสงสอนหน้าสอนนาว่ามาปิดโลงแม่ออกหน้าไม่จะพอนะแม่นะออกหน้านะเรือนสามสี่รู้ไหมของแม่เนื้อรู้ไหมเลี้ยนสามน้ำสี่ขอเชวันนี้เลยแม่นี่มีเรือนสามน้ำสี่ให้เราก่อนแล้วเราก็บ่งเลี้ยนสามน้ำสี่ให้กหหต่สามีเพื่อใชครอบครัวบางคนไม่รู้เลยมาถามมาร้อยคนทั้งร้อยคนตอบไม่ได้เพราะไม่ศึกษาหลักศาสนา รู้แต่เรื่องศาสนาการจิ้มจำเเท่านั้นเองเนละลัตนาสิงกันยังมาได้ลัตนาธรรมสวดมนต์ไหวพระไม่ได้ฉันจะไปสมฉันจะไปมิพานมาอยากยืดมาบวชทีพรามณ์กลับไปสอนขวนจะไปสวรรค์สวดมนต์ไม่ไหว้พระก็ยังไม่เป็นและจะไปนั้นเป็นไปไม่ได้แน่ขอเจริญพรสาธุชนทั้งหลายโปรดคิดขอ้อนี้บางคนก็ไม่เอาเข้าใจเลยเรือนสามอาตมาคิดได้แล้วเลือนสาของแม่ก็คือหนึ่งเรือน เราต้องใช้ช่องแม่โรงแรมถึงทศมารถเครื่อนคลาดจา้านี่เราอยู่เรือนคันสองเรือนตักแม่ออกเรามาแล้วก็อุ้มใส่ตักประคับประงกอะไรหนอแม่คุณเนยคุณทศตักแม่เราไม่มีแล้วอะไรหนอเจ้าจอุ่นเ้าวงแขนเราไม่มีแล้วคิดกันม้างไหมแม่จะทุ ด, ดุกด้วยนี่แหละอาฮีอัตโนโ น, นาถอปลอดมาจะคับพา ก็เอาแล้วนมใส่ปากใช่ไหมถ้าเราไม่ดื่มไม่กินมันจะอยู่ไหมนี่ตนกจะเปลืองเพาะตนใช่หรือไม่ตัวละตนไว้ก่อนไม่เอาข้าวปอนแล้วเที่ยวไม่เกินมันจะอยู่ได้ไหมถ้าก็ถึงสามขวบสี่ขวบไม่เอาไปรงเรียนรุบาลจะไม่เรียนจะอยู่ได้ไหมสาษาุณจนคิดตรงนี้ก่อนนี่แหละนะเรือนสามของแม่เลยเรือนเราต้องนอนลําบากบนทําให้แม่ลําบากอยู่ในครรนเวลาทศมาศ ว่าจะเคลื่อนขึ้นมานะนี่ประการหนึ่งต้องเลือนตัดแม่ก็ต้องอุม้มดึงตัดจะถ่ายมูดอาจอมรถแม่ที่ตัดแม่ก็ไม่เคยว่าอะไรเลยแม่ก็มือเช็ดมูดขูดลูกติดเล็บไปบ้านไปเดิมกับข้าวยังอร่อยแต่ลูกทําให้พอแม่เลยนะหากท่านไปคิดโดยทุนาการยาเลเรนหลงเป็นไปนะักคิดถึงแม่ไว้ก่อนเอาพุทธเ จ, จ้าจนโปรดพุทธมารดาก่อนราชบิดดายังดึงพิภพมาปาลารบน้ํานมมาในแม่คือในครัร ขอฝากท่านไว้เรือนครันเรือนสามเรือนอยู่อาศัยแม่ต้องหาให้อยู่ทั่นนั้นต้องปลูกย่าเปเรือนให้ลูกอยู่อยอมคิดหรือไม่นี่เรือนสามของแม่ทั้งสี่ของแม่มีอะไรคะเราคลอดออกมามาอยู่ในทอมครันยังกินน้ำเลือดนะของแม่ใช่หรือไม่พอคลอดมาทันทีไม่ได้รอรีจะประการแม่ก็เอานมยัดใส่ปากแล้วครับนมแม่จ้า น้ำนมของแม่แน่นอนน้ำอะไรอีจักน้ำของแม่จักแม่ก็จะสอนลูกลูกเอ๋ยคอยอยู่นะลูกนะพอไม่มีเมียใหม่ก็ไม่มีแม่มมมมมมแจเจ้าจักอย่าไปจังอันนะนี่นทําำระจาเสียงอะไรจะดังเรียงวงเวียงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแล่หาไม่มีเหมือนเสียงแม่เราเลยท่านพี่น้องที่รักบางคนนี่ลืมเสียงแม่ไปแล้วหรือแม่เจ้าเอ๋ย แม่คุณพ่อประคุณเอ๋ยพ่อทูนหัวแม่วัวนี่น้ํำคาของแม่พระน้าร่อยที่สอนโลกเจ้าข้าพราวาจาดีนี่หน้ตุณพ่อนี่คุณนาคุณตาคุณยายจ้าลูกก็ว่าตามนี่นําของแม่ใช่ไหมลูกเอ๋ยจงเคี้ยวข้าวลูกเอ๋ยจงนลูกเอ๋ยจํานอนจ้แม่เอาใส่เปรโอละชาโอาละเฮใส่เปรยกวยจ้านี่นําของแม่ใช่หรือไม่นอกเหนือจากนั้นน้ําอะไรอีหดือ น้ำสี่สร้างพอดีลูกน้ำยังไม่พอน้ำคำน้ำคำแล้วน้ำอะไรยังมีน้ำอีกขอท่านทั้งาโปรพิจารณาข้อนี้ไว้น้ำนมยังมีน้ำคำยังมีน้ำอันหนึ่งที่จะเป็นที่พึ่งของลูกคือน้ำอะไรท่านทั้งหลายคิดอยาดูอกเหนือจากนมแล้วน้ำคำแล้วยังมีนคำอีกอะไรเอ่ยคำอะไร ในข้อที่สีน้ำคำที่สอนลูกทุกอย่างยังมีน้ำอันหนึ่งที่เป็นที่พึ่งของลูกด่ากระตันด้อันนี้มีความหมายอยู่มิใช่น้อยที่มีความหมายจากน้ำคำน้ำอะไรที่ใจจากน้ำใจแค่น้ำเลือดออกของแม่ที่พกจมีความหมา ย, ยมิใช่น้อยและก่อนน้ำอันหนึ่งเทียบว่าน้ำจัด ไ ม, ม่ทุกอย่างให้กับลูกทุกประการมีเหตุการณ์ที่ยักล่าวแล้วทุกประการนี่แหละแม่ธรณีก็แม่เราแม่ประคงคาทำน้ําให้ลูกสะอาดลูกพัดแม่ตลอดการให้ลูกเย็นเปสุกลูกที่ไม่เคยคิดเรื่องถึงวันสงกรานต์ที่กล่าวมามัวจะไปสาดหลงไอชรการกลางถนนทางลืมแม่แล้วหรือลืมพ่อหนี่มีความหมายนี่อย่าลื ม, ลมน้ําน ม, มแม่น้ํานทำของแม่เลย ที่แม่สั่งสอนลูกตลอดรายการมีควา ม, มยังมีน้ําที่พ่อแม่จะต้องให้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมกับลูกเกินด้วยความรักความหวงแหนลูกตลอดเายการมีน้ําอันหนึ่งที่จะเป็นที่พื้นของลูกนั้นคือพ่อแม่ก็มีใจกับลูกเหลือเกินมีสั่งสอนลูกอยู่ตลอดรายการมีความหมายอย่างนั้น ก็ฝากท่านสาธุชนไว้ในโอกาสนี้วันคล้ายวันสงกรานต์หรือประจำปีนี้ก็ไปขอกายกรรมวจีกรรมอาผูนมเลยไปให้พ่อแม่ไปให้ปู่ย่าตายายอย่างบ้านสถานพ่อแม่ลูกย่าตายายนั้นท่านไปวัดไปวาทําบุญตัดบาดพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่มีไข้แพงเบลเป็นทาน ศีลให้ท่านราักษาศีลในวัดไม่มีภาวานาให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายสวดมนต์ไหวพระหาคอนทอนสบายให้ท่านดอกไม้เทียนให้แก่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่ายตายายท่านจะได้ไปสดับประเทศนายัางวัดวาลาตามสมควรแก่สภาพแต่สิดารูปบางบ้านไม่ให้พ่อแม่ไม่เอาไม่อยากวัดก็มีนะแก่จนบางไม่อยากเข้าวัดก็มากมายรอให้เอาแกลแห่เข้าวัดถึงจะ แกละแห่มาอย่างดีเลยวัดดึกแกลแห่แล้วก็มีใิพัดมอทเถ่งทึ้งเถงทึ้งเถ่งทึ้งเถ่งทึ้งทถงคือหมายความอะไรย้อนยานแล้วก็เทถึงไอ้กลองใิพัดมอทเถ่งถึงแล้วยายคนนี้เช่งถึงแล้วไปไม่รอบแล้วเขาเมร์แล้วเวลาดีๆไม่เคยเขวัดปากดีไม่เคยรับศินหูดีไม่เคยฟังเทศเวลาตายขึ้นมาแล้วก็เอาพระมาบอกจัก บอกไม่ต้องเอามือดีเคยไหว้พระสวดเวลาจะตายขึ้นมาจะเอาไปพระสวดมนต์เป็นไปไม่ได้ยานและกระเทงถึงตอบเนี่จะไม่มีโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้ทราบดนเกล่า น, านี้ในวันสงกลางต้องทําอย่างนี้นะต่องลึกถึงพระคุณท่านปู่ย่าตายายพี่ปานะ้าตาลุงที่มีพระคุณกับเราทั้งหลายเราปฏิบัติได้จะได้สมปรัชนาทุกประการเกิดขึ้นที่กล่าวมามีความอย่างนี้ สั้นสาวุดทีัทั้หทงหลายการที่ทาพระปอดีอาบนา้ํำรดล้ำหัวก็คือทําอย่างนี้ใชายไปสาดน้ําหรือรดน้ําที่ซิพ่อแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ ป, ไไไปถึงสาดเอาสาวน้ําเข่าหูมาเข่าตามาไปเนีขอฝากไว้เอาน้ําพวงเราเนี่ยเอาไปให้พ่อทาูกคนไหนดีย่าพ่อแม่มีความสุขรือทราบความชั่วพ่อแม่จะมีความขอฝากท่านทั้งหลายด้วย มีอะไรก็ต้องไปกราบเรียนพ่อแม่ทราบและกราบเรียนครูบาอจาบอกคนบวชที่นี่ศึกไปไม่เคยเลยจนจะตายจะมาหาเราห น, นาสินดายเราคอยช่วยอยู่เสมอไม่ให้เราช่วยก็ไม่เป็นไรนะพ่อแม่ก็จะแง่แลหาเอาจะแลแก่ชรลาลูกไม่มาหามาสู่มันก็วะเวใจแทนนี่มันเป็นอย่างนี้น้ำขุดยามสงการามเราก็ไปกันรนดน้ำดําหัวยังกล่าวมาข้างต้นทุกรันบ๊อบเพนสินเจริญกิจพำา เหมือนอย่างยากโยมมาเจริญประธานสร้างอาธิกุศลสร้างศนให้แก่ตัวเองในวันขึ้นปีใหม่ของจันทรคติทิศสองลาศีทชวดะลุขันเถาะจากปีวอกไปเป็นปีระกาแล้วท่านทั้งหลายอาจจะเข้าใจแต่หนึ่งมกุลลาสาโภนโยมชายจุติทั่วโลกถือมาไปขึ้นปีใหม่ของพุทธศัตว์นะหรือพอศหรือคริสตศัตว์หรือรอศอีกยหนึ่งก็ได้แต่พูดทึ้งหลอก็รอศสองรสิบเอ็ด รัศนาโกสินก็สอสบปีนะตั้งแต่ฉลองสองพฉลองสองปีเมื่อ2อน้านับมาถึงนี้ก็2อ1สบ็ปีขอฝากท่านสาธุไว้การส่งน้ำก็ดี ท, ที่เราไปอาบน้ำดำหัวไปขอกายกรรมขอโหติกรรมการทังนายขายที่ดินเพิ่มมีกิจกรรม่ก็ขอโหสิกรรมแม่ธรณีเจ้าเ อ, อ๋ยอยู่หรือยังนสังขาตังโลกการกวิบก แล้วก็ขอสมาลาโทษท่าจะได้ให้ลาบให้ใหยศถาบดาศักดท่านแล้วก็การที่จะไปรับจริงขวัญแม่โพสีแม่โพศพเนี่ยดูปลาก็หมดไปแล้วแล้วประเพณีของไทยเด็กก็หมดไปแล้วอาตมาเมื่อเป็นเด็กก็ได้ยังจําได้ใช่รับมิ่งชริงขวัญแม่ประสบรรกันมาเลี้ยงเรามาคือแม่ของเราคือแต่คนก็ลืมข้อนี้เชน่นเดียวกันจะลืมไม่ได้ ธรรมายังจำได้เป็นข้อศาสนศึกษาในบัดนี้เดี๋ยวนี้คนที่เขาจำไม่ได้แล้วธรรมาไปเด็กแม่มาวันสุกไปมาจานทำข น, นมทอดมันสองอานเช้าฝ้าผักขาวค่อยคานตะลานฟ้าคานขึ้นบ่าทนาลูกตรึงแม่พึ่งกันมาบัวตามภาษาก็แจันตัวออกไปถึงทุก ป, ปูผ้าลงกราบนั่งเสียหักกราบเสียสามหนเหลืองเลียบเหลืองต่อไ้หางมา้าแม่สีปลาแม่บัวจีทูฝักแม่หนักข้าวเบา ขาววต่อพลําเพลงบองล่วงทอ ง, พองเพลิงบา่าเหลือนกเหลือหนูเหลือปูเหลือปลาตกดังแหงแอลแอบแฝงคณ า, มาแม่มาแม่มามาแม่แม่นบดานลาไปเข้ายุ้งตาสวัสดีมีชายลูกจะได้ลําด้วยการขายข้าวออกมาในแบบนี้เดี๋ยวนี้ไปบีแล้วโตเรื่องเลยข่าวปลาใหญ่ย่าส่งไปเลยแม่ประสบก็ล้องหีหวาดเออมันดูถูกแม่นะแม่ให้กินเป็นเนวัยชราสามายุตั้งห60กสิบยังยังโกแม่เยอะ แม่เขาจะว่าอย่างไรขอฝากท่านสาธุชนไว้ตราต้ตองการขอหามยามและให้โอกาสได้มันสวดมนต์ละพระพุทธคุณธรบุญคุณร่างกุณถึงมากาแล้วกราบไปสวดพุทธคุณทุกเกินหนึ่งท่านเจ้าที่พึงอยสวดมนต์ไหวพระเป็นวรนาทําให้มีสติปัญญาพิดบะหรือหากว่าดีกันนั่นก็คือเจริญกรรมฐานเอาแต่บทง่ายก็คือเจริญกุศลเรียกวัดมนต์ไหวพระขอท่านชน เอาโลกหลานเล็กๆในน้อยสวดมนต์ไหว้พระมีตัวสามขวบครึ่งสวดพุทธคุณธรรมคุณพาหูมหาตาได้บางดีห้าขวบสวดทินยับชรได้เพราะพ่อแม่เขาไม่ได้สอนพ่อแม่เขาสวดกันสองคนสามีดาไม่เคยทะเลาะวิวาดกันลูกก็พอนในศากดิ์ก็ฟังไปด้วย ไ, ได้ในมพอปีโลกสวไดได้โดยไม่ต้องสอนเลยเนะขอฝากท่านสาธุชนเลี้ยนเกมเร่งก้าวาเอ็นทัศเอทุกตัวเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระทําไม่เลี้ยงหนยังสือ แล้วก็ทําหลักการได้อย่างต่อเพิ่งเราสอนลูกสวดมนต์มาไว้เขาจะไม่เรเบีย บ, บวินัยไม่ต้องสอนจเจอพระก็ทุจเจอคนแก่ก็ตามยกมือวหว้จเจอพระน้ำชาเลยไม่ต้องไปสอนอีกต่อไปต้ดหน่อยเขาจะรู้ว่าในถัดว่าเขาจะไม่เถียงพอเถียงแม่จูบอาจารย์อย่างแน่นอนตอปิดเขาจะรู้ว่าฐานะเป็นเด็กแลอเป็นผู้ใหญ่จะวางตัวได้เหมาะสมมากไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวยอมเป็นบิดาเป็นมารดาไม่ลองตามไปดูลูกอี ก, กาเขารับผิดชอบเขามาก นี่การส่วนมนไวุ้าย์ท่านรักศาสนาท่านปฏิบามแล้วก็อาธิกุศร์เริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นกรรมฐานคือหน้าที่การงานไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบในตัวเองสูงคืออาธิกุตรศร์สรนให้แก่ตัวเองไม่จะไปสร้างให้เกิดคนอื่นไม่จะมาสร้างสร้างวัดนี้นะไม่จะมาสร้างสร้างุติวิหารจะประดานใดมาสร้างตัวเองนี่ไม่มีใครมาสร้างสร้างตัวเองไม่ค่อยมีสร้างไปสร้างถาวรรู โดยที่ไล่เหตุผลก็มาเ่าไว้เป็นประเภทสองมันมีความจําเป็นเหมือนแต่ส ร, สร้างดีมีปัญญาเข้าถึงธรรมะมาได้จัดแสงสว่างมีสติปัญญาที่จะบุญช่ว ย, วยเหลือสร้างโรงพยาบาลสร้างอนามัยหรือสร้างสร้างโรงธรมต่อไว้ต่อภายหลังตัวสร้างตนซะก่อนไปที่พึ่งของตัวเองแลว้วค่อยไปสร้างคนอื่นต่อไปออแมชิรักทั้งหลายดูลูกอนุรักษ์ไว้อย่างสิกล่รข้างตน้นแล้วก็ดูพี่ดูน้องขอบินชรบในวันสงกรานต์ปีนี้ พี่น้องอย่าทะเลาะ ก, กันสามีภรรยาเป็นเพื่อนคู่ไม่คู่บานกันอย่าทะเลาะ ก, กันเลยขอบาทเสียเวลาทำอาหากินเสียยสมองทําให้เป็นโรคหัวใจทให้สมองฟอไม่เกิดประโยชน์กันใดขอฝากญาติพี่น้องอยามบัดนี้มีประโยชน์มากในการบัพเพิ่งกุศลอาตมาผู้หนึ่งจึงได้ทับปีปีนี้ชื่นใจมากเอาเงินเนี่ยอยากยมมาให้อาตมาก็เอาไปช่วยโรงเรียนหน้าสิน เอาไปช่วยเครื่องอุปรกรณ์เด็กเรียนนังเชื้อเรียนหนังสือนังฮะสามหมื่นห้าแล้วตั้งธนาคารน้ําเดี๋ยววันนี้เตรียมเนี่ยจะมีใครมารับทจะจะฝากไปอรรมาดีใครได้ตั้งธนาคารน้ําเอาน้ําให้ตาชนกินมีปเป็นพันนังฮาเรือนดีใจมากจะอยากยมตาคานข้าวการข้าวก็ไม่ขึ้นแต่น้ํานี่ความจําเป็นกว่าข้าวควรจะเอาปแบบหนึ่งข้าวควรจะตั้งธนาคารแบบสอมเพระาะ น, น้ํานี่มันหากินเกิน นี่ใรลบบุรีทรับเหล็กไปถามได้อาหารคนช่วยลบสามไปถามรู้ได้เลยในปีสมศักดิ์ตา ม, มาไปตั้งธ น, น, นาคารน้ำละยะยงก็ช่วยมาสี่ห้าหมื่นแล้วนี่เตรียมเหมือนกันจะช่วยธนาครต่อไปเอาน้าช่วยเหลือประชาชนเอาให้ขาทานอาหารการันอยู่เย็นสกตรงนี้สิไม่มีใครคิดมาคิดลิเริ่มอยู่คนเดียวนะทางไรก็ตาม อาตมาขอฝากโยไม่ด้วยและขออนมโมทนาสากการในวันมหาสุกลาเป็นวันที่เราได้เข้าถึงในเรื่องจิตใจกต็ตโยกตัตเวทิตารทำจะไม่ลืมพระคุณบิดามดากุลครูประชาจารย์ตลอดกระทั่งองค์มหาบพิเภลสมเจ้าและท่านผู้บังคับัญชามีความหมายกับผู้น้อยกับใหญ่ขอฝากท่านบิดามดาเป็นผู้นํำลูกแล้วจงไปตามไปลูกด้วยอย่าทิ้งลูกหลานเส้นทางถนนทางเลย ไปที่น้ำจสัตว์สี่ใจตัวหลังจะแก้ไขไม่ได้นะเลี้ยงลูกให้มันก็ปลุกต้นพให้โมหน่อยให้โตด้วยวิชาการหลักฐานให้มีไม่ได้เลี้ยงลูกอย่าให้โตนุศก์โตมันต้นตานเลยให้โตด้วยวิชาการหลักฐานมีงานทมจะมีครองหรือขอให้แผ่นทองแผ่นเดียวกันดีมนุษย์จะสัมพันธ์ในสังคมต่อไปมีเหตุผลที่หนาฝันเลี้ยงลูกให้โตคืออะไรอยากโยมสาธุชนทั้งหลายใจมากในข้อกัตัญญู เลี้ยงลูกมันปลูกต้นพอม่ใหญ่มาโตจะได้ไว้อาลัยถึงข่าวเจ็บจะได้ฝากไข่ขราวตายจะได้ฝากผีมีเอาเวลาใช้สอยมั่งประไลยมีแต่ลูกหลานเดียวนี้ใจสอยพ่อแม่ไม่ค่อยมีหนีตอนนี้แม่หมดแล้วมีแต่ตียขอเงินขอทองขอสมบัติเพ่อไปเทนั้นไม่มีสมบัติให้พ่อไม่มาหาพ่อแม่ไม่รับใชจสอยจารได้นี่เหตุผลของศาสนาที่ไร้กตัญญูกตเวทิธรรมดังกล่าวมาข้างต้น วันศุกวันนี้เราก็มีการลดน้ําดําหัวต่อตมาสี่ใจเมื่อมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆมีคนแก่คนเฒ่าร้อยี่สิบคนบัดนี้ย่อ ย, ยับตายไปหมดแล้วยี่สบคนแล้วมาตอนหลังก็โตขึ้นมาเป็นแก่เฒ่าก็ตายไปอีกแล้วบัดนี้เหลือน้อยเต็มทีเมื่อเช้านี้นับแล้วเหลือน้อยตายกันสมั่งแล้วแล้วก็ที่แจกผ้าพรนทอดใบไปเมื่อเช้านี้ก็ยังไม่แน่ ว่าปีหน้าจะมาจะตายก่อนหรือโยแก่นั้นจะตายก่อนแล้วจะใครจะให้ผ้าผ่อนท่อนสบายก็ยังไม่สักขอฝากลูกหลานวันในวันนี้ว่าคุณจะทําอย่างนี้เอผ้าผ่อนให้พอ่อปุยญาติยายของเราและลุดอย่าลืมพระคุณท่านไม่ได้หากจะมาตายพิจก่อนยอมตายไปก่อนก็ตามโปรดสั่งลูกหลานต่อไปให้ดําเนิน ง, งานวักนามดาหัวทําเป็นประเพณีไทยแต่เดิมมา จะได้อย um, um ู ni, ่แย e ็นสุขมีขนมก็ต้มก็ไปสู่กันกินสุดท้ายอย่าหวงกันกินหวงกันชัยเลยยิงให้ก็ยิงดายิงห่วงก็ยังอดหมดมาเราไม่ห่วงกันเราไม่อดมาเรื่อยๆรวยมหาสารที่นี่มีแจ้งความมูอหลายลายข้าสารกุลสารกระสอบสีกระสอบเดี๋ยวอีกวันหนึ่งเขาจะมาให้อีกค่สีกระสอบนี่คุณลญาให้ข้าสารให้น้าตาลมาให้น้ําโหลกที่วันปูสมเฝ้าทรับมาเข้าฝันเอาปัตตานีเท่านั้นเท่านั้น อันนี้ขอขอฝากเป็นเป็นความคิดทั้วันนี้เขาก็มาให้แล้วนะอาตมาก็รวยน้ยําใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโปรดด้ว้ละกับขอให้ญาติโยมร่ํารวยสวยดีมั่มีชืสุขด้วยน้ําใจเถิดเหมือนน้าใจที่หลใสไม่ขาดไหลไหลไม่ขาดสายสว่างขาดทีด่ยอย่างไรคือเมตตา โลรมีเมตตาปราณีอรีเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันระหว่างพี่ระหว่างน้องระหว่างพ่อแม่กับลูกลูกกับพ่อแม่เถิดระหว่างลูงกับตายายกับปู่ย่าดังที่กระมาขออนุโมทนาที่อยากโยมพุทธบสัตว์ทั้งหลายที่มาทํางานประเพณีกลางสงงามพระและลัตนาตรายขอสมณะโทษต่อลัตนาตรายเอาโหติ ก, กรรมกันและกันจะไม่มีเวรกรรมต่อกันเลย นอกจากนั้นแล้วขออนุโมทนาสมุดสีข้อสองท่านจงปองทานญาติน้องร่วมกันเหมือนอยู่ใ น, นใจอันเยวกันเหมือนพลูลวงใจใบยู่กันแล้วร่วมจัจจริงๆอย่าแตกใบกันเลยขออ่านภาษาทุกชนโดยทุนาการซ้ายแลีขวาหันหน้าเขาา้าหาการปรึกษาปลองดองเป็นญาติพ้องร่วมกันเถิดเดี๋ยวเราปัจจัยจากกันไปแล้วท่านาทุชนทั้งหลายเ อ, อ๋ยเกิดมาเพื่อรอว่าตาย ได้มาเพื่อรอเวลาเสียมีเพื่อรอเวลาหมดเราเจอในวันนี้เดี๋ยวก็จะต้องจากกันไปนะสามมีภรรยาที่เป็นสามีภรรยามีลูกหลานด้วยกันก็ต้องเอาเวลาจะพัดพลากจากของไปทิ้งที่ชอบใจกันทั้งหมดทั้งสิ้นไป ม, มีใครที่จะได้เอาได้เลยขอฝากท่านสุชนไว้หยับประมาทอาบองค์ต่อสงค์ชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นตน้นไปขอท่านทั้งหลายเหลียวซ้ายแลความหากัน แล้วก็สามัคคีรองดองหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันระหว่างสา ม, มีภรรยาระหว่างที่ร่วมทองน้องลุงสายไปมีความขึ้นโลงสารกันเลยขอฉบาดในวันสงกรานในปีแล้วก็เลี้ยวซ้ายแลบมาพึ่งภาใส่กันเราไว้กันดีกว่าคบมิตรดีกว่าผ่านมันไม่ดีเลยผ่านคบเชื้อไปไหนมีญาติสนิทมิจะหายเราก็เป็นที่พึ่งทางใจของเราคือพระพุทธศาสนา โดยอาทิกุศลคือศีลสมาธิปัญญาสมปรารถนาทุกประการอาตมาภาพขออนุโมทนาพี่น้องชาวไทยตลอดทั้งพี่น้องสาธุชนทั้งหลายพุทธบัติที่ได้ร่วมใจกันมาบรเป็นกุศลในวันสงกราดลดน้ำด่าหมวบูรพาจนตลอดทั้งผู้ย่าตายายบิดามารของท่านสมปรารถนาทุกประการแนละ้วขอบุญกุณ้น โดนบรรดาลอนกลับหาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตลอดกระทั่งประเทศไทยตูเย็นเป็นสุขลมลื่นชื่อนอันเพราพิโรลุนก็โปรยลงมาวันนี้ไม่ร้อนแล้วเลยตั้งแต่เมื่อวานฝนก็ตกพราะพิโรลุนก็โปรยลงในกรุงเทพมหานครอมรัตนาโคตินประเทศไทยก็จะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยความชุ่มชำ่ำชุ่มชื่นด้วยน้ําฝนชุ่มชื่นด้วยน้ําใจของท่านสาธุชนพุทธศัตว์โดยรอากาศ ตามาขอขอบพระคุ ณ, ข อ, คณขอบคุณกอดใจที่สนใจในการเราทำดำหัวที่ความถูกต้องอานาจคุณประสิทธิ์รัตน์ได้อำน า, า, นาบุญกุศลทั้งหลายอํานาจพระบกพรีพระสมภารเจ้าที่เราต้องทถวายแกุ่ญกุศลท่านกตลอกระทั้นสยามเทวาธิราชที่ผิดพ า, ทาทไทยขอประเทศไทยอยู่เย็นสุขตลอดกาลตัววสารขอให้พระโองค์เสนท์ทำลานในพระราชสมบัติสืบต่อไปมิ่งขวัญประชาชนชาวไทยสิบ ขอท่านทั้งหลายจงเย็นเป็นสุขและจงเจริญด้วยจดทุกวิระพัญชายสีประการมีอาขอายืนนานวโนผิวพันธ์่องใสสุขขังให้สุขภาพกายอานามทุกท่านโปรดด้วยใจดีโรคหรือขจบมีก็โปรดหายสิ่ง้าที่คิดมั่นยบัตินี้นจะคิดต่อโอกาสหน้าจงพรังงานเกิดความสำเร็จประเด็จพรสมเจตจานงความมาุ่มาศัาด้วยการทุกๆหน้าโอกาสบัตนี้เทอ ขอเจริญพรทุกท่าน